ก็สอนนะครูบาอาจารย์ก็สอนว่าร่างกายนี้นะไม่ใช่ของเราแต่ว่าเราก็มีหน้าที่ดูแลนะดูแลร่างกายนี้ไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยนะที่ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราหมายความว่าเราสั่งไม่ได้นะถ้าเป็นของเราจริงๆเราก็สั่งได้สั่งไม่ให้หิวไม่ให้ปวดไม่ให้เมื่อยไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บแต่ ก็สั่งไม่ได้นะอย่างที่รู้แค่ปวดเบานะจะสั่งให้มันอดทนมันก็อดทนได้ระดับหนึ่งนะถ้ามากเกินกันนั้นก็ไม่ไหวยิ่งปวนหนักก็ยิ่งแล้วใหญ่นะแต่ถึงแม้ว่าไม่ใช่ของเรานะร่างกายนี้แต่ว่าเราก็สามารถที่จะดูแลทำให้ดีขึ้นได้น ะ, ะเช่นป่วยนะ เราก็ดูแลรักษาให้หายไดนะ้หิวเราก็ทำให้เขานะหายหิวได้มันไม่ใช่ของเราก็จริงแต่ว่าเราสามารถปรุงแต่งได้พูดง่ายๆนะมันก็เหมือนกับโทรศัพท์มือถือของเราเสียเนี่ยเราก็ไปให้ช่างซ่อมช่างเนี่ยเขาก็รู้นะว่าโทรศัพท์นี่ไม่ใช่ของเขานะมันเป็นขาลูกค้าแต่เขาก็สามารถจะซ่อมให้มันดีได้นะ ถ้าเขามีความรู้นะเขาก็สามารถที่จะซ่อมให้โทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยกลับมาใช้งานเป็นปกติได้แต่ น, นี่ก็พูดตามสมมตินะเพราะว่าโทรศัพท์มือถือถึงแม้เราจะซื้อมามันก็ไม่ใช่ของเรานะเพราะว่าสั่งมันไม่ได้เหมือนกันนะสั่งให้มันบูสต์เร็วๆไวๆก็สั่งไม่ได้จนกว่าเราจะไปเติมเช่นเติมเมมโมรี่การ์ดให้มันนะ มันก็จะบูตไหวหรือเร็วขึ้นหรือว่าไปเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ใหม่สั่งให้มันไม่เสียก็สั่งไม่ได้นะเพราะว่าถึงคราวมันก็เสียร่างกายเรานะก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ของเรานะแต่ว่าเราก็สามารถจะดูแลรักษานะให้อยู่อยู่ไปได้นานๆแล้วก็ใช้งานได้เพื่ออะไรนะก็เพื่อทำความดี นะเพื่อสร้างคุณประโยชน์แล้วก็เพื่อให้ได้เข้าถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์นั่นก็คือความพ้นทุกข์นะอันนี้พูดในแง่ของชาวพุทธประโยชน์สูงสุดก็คือการได้เข้าถึงความสงบเย็นในจิตใจแต่สงบเย็นเฉยๆไม่พอนะถ้าสงบนิดสงบเย็นที่แท้เนี่ยมันจะนาไปสู่การทำตัวให้เป็นประโยชน์ด้วย อย่างพระรัตจานี่พระองค์เข้าถึงความสงบเย็นพระองค์สิ้นทุกข์แล้วแต่ยิ่งสงบเย็นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์มากขึ้นอันนี้กลับมาที่ร่างกายของเราเนี่อร่างกายไม่ใช่ของเรานะแต่ว่าเราก็สามารถจะดูแลให้ดีหรือทําให้แย่ลงก็ได้ทําให้แย่ลงก็เช่นว่าสูบบุหรี่กินเหล้าหรือว่ากินอาหารที่มันเป็นพิษต่อร่างกาย หรือกินมากเกินไปไอ้ที่มีประโยชน์นะแต่ถ้ากินมากเกินไปมันก็เป็นโทษนะเช่นพวกไขมันที่ทําให้เส้นเลือดอุดตันในสมองหรือว่าทําให้หัวใจขาดเลือดอะรพวกนี้ยมันก็เลแล้วแต่เกิดจากสิ่งดีๆที่เรากินเข้าไปแต่เรากินเยอะนะไม่รู้จักประมาณไขมันก็เลยพอกผูนอาการที่เรามากินอาหารเนี่ยนะอย่างเช้าวันนี้เนี่ยก็ ถือว่าเป็นส่วนนะเป็นหน้าที่ในการเสริมสร้างร่างกายของเรานะให้อยู่ได้แล้วก็แข็งแรงนะไม่ใช่เพื่อที่เราจะได้ไปเสพสุขมากขึ้นไปเที่ยวสมบุกสมบันอันนั้นมันความสนุกสนานก็เป็นสีสันอย่างหนึ่งของชีวิตนะแต่ว่าไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญก็คือการทำความดีนะ เราก็ต้องใช้ร่างกายนี้แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันหิวนะเราก็ต้องเติมอาหารให้เขานะเวลาป่วยเราก็ต้องหาอยู่หายามาให้แต่ก็ต้องระลึกอยู่เสมอว่ามันไม่ใช่ของเรานะมันไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยหาอยู่หายามาเยียวยาแล้วไม่หายนะก็ไม่ทุกนะทำใจนะไม่ใช่ว่า เยียวยารักษาแล้วไม่หายก็กลุ่ม อ, อกกลุ่มใจทุรนทุรายนะอันนี้เพราะว่ายังมีความยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายเป็นของเราไม่ต้องป่วยหรอกนะแค่เริ่มมีผมงอกนะแล้วก็ผิวตกกระหรือว่าหนังเริ่มเหี่ยวเริ่มย่นร่างกายหย่อนยานเนี่ยหรือว่าแค่มีสิวเท่านั้นแหละนะก็ทุกข์ละ อันที่ทุกข์เพราะอะไรเพราะไปยึดว่าร่างกายเป็นของเราแล้วก็ไปยึดว่ามันต้องเที่ยงมันต้องสุขมันต้องแข็งแรงถ้าไปยึดเนี่ยเราก็ทุกข์แต่เมื่อไม่ยึดว่าเป็นของเราก็ไม่ไ้ป่ปล่อยวางนะเอาไม่ใช่แปลว่าปล่อยปล่าแล้วเลยการไม่ยึดว่าเป็นของเราเนี่ยเราเลือกปล่อยวางนะแต่ว่าเราก็ยังต้องรับผิดชอบกับร่างกายนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยปล่อยวางกับรับผิดชอบนี่มันไปด้วยกันนะ ปล่อยวางอย่างรับผิดชอบปล่อยวางในร่างกายนี้ว่าไม่ไม่ใช่ของเราแต่ว่าเราก็รับผิดชอบในร่างกายนี้ดูแลการกินอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งของการรับผิดชอบต่อร่างกายนี้ตราบเท่าที่เขายังยังทำอะไรได้ปล่อยวางไม่ได้ปล่อยไม่ไม่ไม่ด้แปลว่าปล่อยปละละเลยนะปล่อยวางนี่เป็นเรื่องทางใจคือไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่ว่ารับผิดชอบก็ยังทาอยู่ ไม่ใช่ว่าพอครูบาอาจารย์บอกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราก็เลยไม่สนใจปล่อยปละลเลยไม่ดูแลบ้านไม่ใช่ของเราก็เลยปล่อยปละละเลยไม่ใช่เวลาเรายืมโทรศัพท์มือถือให้มาเวลาเรายืมรถใครมาเนี่ยมันไม่ใช่ของเราใช่ไหมแต่ว่านั่นแปลว่าเราจะใช้มันแบบสมุสมบัตินะผููยิปูยำมันยังไงก็ได้ใช่ไหมไม่ได้นะ เรายืมเข้ามาไม่ใช่ของเราก็จริงแต่เราก็ต้องดูแลรักษาให้ดีใช้อย่างใส่ใจเสียก็ต้องซ่อมให้เขาแล้วก็คืนกลับไปในสภาพเดิมไม่ใช่ว่ารถไม่ใช่ของเราตัวสำไม่ใช่ของเราก็เลยจะใช้แบบทิ้งทิ้ ง, งข้างๆไงก็ได้ น, ะ น, นั่นคนที่ทํางื้นเรื่องเป็นคนที่ไม่น่าคบนะเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบปล่อยวางกับรับผิดชอบไปด้วยกันนะไม่ใช่ปล่อยวางแล้วก็คือปล่อยปละละเลย ให้เราเข้าใจตรงนี้เอาไว้นะปล่อยวางอย่างรับผิดชอบการกินอาหารเนี่ยเราก็ต้องกินด้วยความสํานึกแบบนี้ก็คือว่าเราไม่ได้ยึดมั่นว่าร่างกายเป็นของเราแต่เราก็รับผิดชอบกับร่างกายนี้ที่จริงใช้กับทุกอย่างอ น, น, นะนมกระทั่งบ้านเรือนนะหรือว่าข้าวของเครื่องใช้หรแม้แต่ลูกของเราก็นะาก็ไม่ใช่ลูกของเราจริงๆสั่งไม่ได้นะเราเลี้ยงได้แต่ตัวแต่ชีวิตเป็นของเขานะ บางทียังเลี้ยงแต่เลี้ยงตัวยังเลี้ยงไม่ได้เลยลูกผอมขนยังไงลูกก็ไม่อ้วนนะอันนี้เรียกว่าเลี้ยงได้แต่ตัวนี้ก็ยังไม่ถูกต้องนะแต่ว่าเราก็ต้องรับผิดชอบเขานะปล่อยวางในลูกไม่ยึดว่าเป็นเป็นลูกของเราเป็นของเราแต่ว่าเราก็รับผิดชอบแนะนำสั่งสอนแล้วถ้าทำ ไ, ได้เนี่ยใจจะสบายใจจะไม่หนักไม่เครียดไอ้ที่เครียก็เพราะว่าไปยึดนะว่าเป็นของเรา พอเขาไม่เป็นไปตามใจเราไม่เรียนคณะที่เราอยากให้เรียนไม่มีอาชีพยอย่างที่เราต้องการหรือว่าไม่แต่งคนที่เราอยากจะให้แต่งพ่อแม่ก็เลยเครียดนะีอันนี้เรียกว่าไม่รู้จักปล่อยวางนะปล่อยวางอย่างไรไปชอบเนี่ยทาได้แล้วควรทํานี่เป็นเป็นหลักของชาวพุทธเลยทีเดียวน ะ, ะแล้วก็เตรียมรับพอ